ใจการแก้ไขปัญหาชีวิตประจําวันของเราได้อย่างคล่องตัวถ้าหากว่าการปฏิบัติสมาธิอันใดจิตใ้สมาธิแล้วเบื่อโรคเบื่อสงสารอยากจะโกรนหัวไปบวดนั่นอยากไปเอามันไม่ถูกต้องในเมื่อเราได้สมาธิดีแล้วเราต้องกล้าไปเผชิญต่อเหตุการณ์ต่างๆต้องเป็นนักสู้ไม่ใช่นักกลบแต่เราจะต้องสู้สด้วยเหตุ ด, ด้วยผลด้วยสติปัญญาของเรา ที่นเนเื่องจากว่าหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิในปัจจุบันในบางครั้งผู้สอนสมาธิผู้เรียนสมาธิก็ยังมีมติขัดแย้งกันอยู่อาสมาภาพได้เคยทดลองมาในบางครั้งที่ศูนย์ฝึกสมาธินักเรียนระดับมัธยมที่จังหวัดนครราชสีมา ที่วัดว่าผูแก้วอำเภอสูงเดินเรารับพาราฝึกสมาธินักเกรียนเดินละสามรุ่นแต่ละรุ่นสามร้อยคนขึ้นไปในบางครั้งมีนักเกรียนทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์มาฝึกกลวมกันทีนี้พอเข้าห้องฝึกสมาธิเราก็ให้คำแนะนำว่า ชาวพูดให้ภาวนาพูด์โชาวคล็ดให้ภาวนาเยซูเด็กมันก็ตามคนตามภาวนาของใครของเราเขาให้เวลานั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงทีนี้พอเขาบอกให้หยุดพักเด็กชาวคล็ดก็มาถามชาวพพดว่าเธอภาวนาพูดโธแล้วจิตของเธอเป็นอย่างไร ท่านภาวนาพูดโทแล้วจิตของช่านสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุขแล้วของเธอล่ะเป็นอย่างไรของชั้นก็เหมือนกันชั้นภาวนาเยซูเยซูเยซูมันรู้สึกมีอาการเคลิ้มเคลิ้มเบอเบอร์เหมือนกับจะนอนห ล, ลับเขเปิอพลัดจิตผู้โปรงนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุขเราคนละศาะสนาศาสตดาคนละองค์ เมื่อมาปฏิบัติสมาธิแล้วทําไม่ติบมันจึงเป็นเหมือนกันอาจารย์เขาก็อธิบายให้ฟังว่าสมาธิมีหนึ่งเดียวไม่มีแตกต่างสมาธิตามธรรมชาติของสมาธิตามหลักของความเป็นจริงของสมาธิมันจะมีอันเดียวเท่านั้นไม่แตกต่างใครจะภาวนาแบบไหนคำไหนอย่างไรเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิ มันจะต้องนิ่งสว่างตู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันหมดมีดีิติมีความสุขเหมือนกันหมดก็เหมือนกันที่เราเชื่อว่าบรรยากาศรอบข้างของเรานี้มีกระแสไฟฟ้ากระจายเต็มไปหมดเราต้องการอยากจะได้กระแสไฟฟ้ามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ฝรั่งเขามีปัญญาดีกว่าเราเราก็สร้างขั่วแม่เหล็กทองแดงขึ้นมาให้มันหมุนเยษสีกันเกิด ค, ความร้อนก็ได้ไฟมาใช้ แต่คนลายไทยเรานี่ค่อนข้างปัญญาอ่อนแต่ยังดีรู้จักกัดไม้ไผ่แห้งมาสีกันสีไปสีมามันเกิดความร้อนก็เกิดเป็นไฟได้ไฟมาใช้เหมือนกันกรรมวิธีเราอาศัยการเสียดสีอย่างเดียวกันแต่วัดสดุในการทํางานเราใช้คนละอย่างผลลัพธ์ก็คือได้ไฟไปใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปข้องใจอะไรเกี่ยวกับหลักและวิธีการทําสมาธิในตํารา อาตมาจึงขอให้ข้อสรุปว่าถ้าใครจะถามว่าอยากจะทําสมาธิทําอย่างไรก็จะได้คําตอบว่าทําสมาธิคือทําจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งลเลึกจะเป็นอะไรก็ได้เช่นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทําพูดคิดเป็นต้นให้เรามีสติกําหนดตามรู้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนอนลงไปจิตมันคิดอะไรปล่อยให้คิดไปอย่าไปห้ามมัน เรามีสติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับเพื่อแก้ข้อข้องใจสงสัยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายใครที่จะขอนาเรื่องราวการตรัสรูร้ของสมเด็จระสมาสัมพุท ธ, ธเจ้ามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นตัวอย่างก่อนที่มสมเด็จระสมมาสัมพุท ธ, ธเจ้ายังไม่สำเร็จเป็นพระพุท ธ, ธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ยังไม่เกิดทันี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังไ ม, ไ, มไม่เกิดคำว่าพุโทโธก็ไม่มีสามมาระหังก็ไม่มียกน้อพองหน้อก็ไม่มีเพราะคำพูดสามคำนี้มันเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้างั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าตอนนั้นถ้าองค์เอาคำพูดคำไหนมาท่องบริกรมรมภาวนะจนใจจริงๆหาคาพูดที่จะท่องไม่มี เมื่อก่อนไปเรียนในสำนักดาบททั้งหลายก็ไปยืมคายถาเอากรมของดาวบทมาท่องท่องไปแล้วมันก็ได้แค่ฌานสมาบัติไม่ใช่ฌาทางตัสลูเป็นพระพุทธเจา้าที่ในเมื่อพระองค์จะเด็ดออกจากสำนักของอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นตอนที่พระองค์จะไปเริ่มต้นการปฏิบัติโดยพระองค์เองนี่สิพระองค์เอาอะไรไปท่องไปบริกรรมภาวนาไม่มี ดังนั้นเมื่อตอนหลังที่พระองค์ได้รับข่าวมาโทษปลายาตของนางสุดชาดาทรงเสวยเอ็มนําสํารานพระวรก า, ายสดเ็จพระองค์มาเริ่มต้นการปฏิบัติทําให้พระองค์ลําลึกถึงตอนที่ยังทรงพระเยาว์เทพพระที่เลี้ยงนางนมผูกพระโอ๋ให้บรรทมอยู่ใต้ต้นว่าในช่วงระยะเวลาว่างจากผู้คนพระองค์กําหนด พระไทยคือจิตของพระองค์รู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกในที่สุดพระองค์ได้บรรลุปฐมมชัชฌานปฐมมัฌานที่มีที่ตกคือจิตรู้อยู่กับลมหายใจสติสัมปชัญญะประครับประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจแล้วก็เกิดปี ต, ต, ติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งคือจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นได้บรรลุปฐมมชัชฌาน เมื่อพระองค์ทรงลำเลึกถึงจุดนี้พระองค์ก็จะมานเลิกปะอที่ตรงนี้เองแล้วพระองค์ก็เริ่มต้นปฏิบัติเกะกําหนดลมอัดสาสะปัดสาสะในการที่พระองค์ทรงกําหนดลมอุดสาสะปัดอัดสาสะปัดสาสะคือลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นพระองค์ทําอย่างไรนี่ปัญหาที่เราจะต้องทําความเข้าใจมันอยู่ที่ตรงนี้ อย่าเดิมว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติพระองค์ไม่ได้บังคับจิตมีแต่กำหนดจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวมีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่เฉยๆแม้แต่คำว่าลมหายใจยาวพระองค์ก็ไม่ได้นึกหายใจสั้นไม่ได้นึก ลมหายใจหยาบละเอียดไป่เด่นึกทั้งนั้นเพียงแต่มีพระสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวแล้วในที่สดุดพระเจตของพระองค์ก็ทรงพลังทางสมาธิคือความมั่นคงมีพระสติเข้มแข็งพระเจตของพระองค์ตามลมหายใจเข้าไปนิ่งระว่างอยู่ในข้ามกลางของร่างกาย ทำให้พระองค์รู้อวัยวะภายในกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวคือรู้อาการ32ที่เราเคยได้ยินได้ฟังอยู่นั่นเองอาการ32มีผผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพระองค์ทรงรู้ในในขณะจิตเดียวแล้วเจตของพระองค์ก็ไปสงบสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเมื่อเจตค่อยสงบละเอียดลงไปร่างกายก็หายไป ยังเหลือแต่พระจิตดวงเดียวนิ่งสว่างสบายอยู่ในทัพกลางของจักรวรรแต่ในช่วงนี้ยังไม่สำเร็จเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นแต่เป็นจุดเริ่มของจิตพุท ธ, ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน้าจะว่าในอันดับของสมาธิของฌานก็อยู่ในฌานที่สี่ซึ่งเรียกว่าจะตกฌานจะตกฌานนี่เป็นสมาธิขั้นสมถะ สมถาะากรัรมมฐานเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมไม่ทานโทษยะานตัดยะานจะตุชจตชะทานแล้วก็ไปอากาสานัญจายะชนะเิญญาณัญจายะชนะอากินจัญญายะชนะเนวะสัญญาณาสัญญายะชนะอันนี้เป็นสมาธิสมถาากรรมฐานสมาธิสมถะกรรมฐานนี้ไม่เกิดปัญญาภูมิความรู้แต่สามารถทําจิตให้สงบละเอียดยิ่งลงไปจนเกือบจะไม่มีอะไรเหลือ เึ่งในสมัยนั้นพวกฤาษีเขาก็ว่าเขาสําเร็จอาลักษ์เหมือนกันพระองค์ก็ไปทรงทดลองปฏิบัติดูตามแบบเขาก็เห็นว่าไม่สําเร็จพระองค์จึงมาทรงปฏิบัติโดยลําพังพระองค์เองเมื่อได้สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานแล้วก็จิตก็วิ่งเข้าสู่กายรู้เรื่องของกายจนกระทั่งกายหายไปยังเหลือแต่จิดตดวงเดียวนิ่ ง, ส ว, งสว่างสบายอยู่ ที่ี้ตอนนี้จิตของพระองค์ไปทางไหนพอไปถึงจุดนี้แทนที่จะเตลิดไปตามแนวทางของสมาบัติแปดกลับวกเข้าไปสู่สัญญาเวทิตะนิโรดเข้านิโรดสมาบัติก่อนนิโรดสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นโลหุตละเมื่อพระองค์เจิตของพระองค์สร้างพลังพร้อมแล้วจเจตแบ่งบาลออกมาอีกทีหนึ่ง แห่และมีสว่างสวายครอบคลุมจั ก, กรวาลทั้งหมดไม่มีสิ่งใดปิดบังดวงจิตดวงนี้ได้เลยนอกจากจะมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือผิวพื้นแผ่นดินแต่โลเป็นโล ก, กับวิถูนั้นมันมีลักษณะอย่างไรใครได้อ่านตำราพระเจ้าเปิดโลกก็เหมือนเหมือนดันอย่างนั้นแหละในขณะนั้นเจดของพระองค์มองเห็นจนกระทั่งโลกนรก โลกมนุษย์โลกสวรรค์นอกจากจะมองเห็นโลกมนุษย์โลกสวรรค์ย ม, มโลกหรือโลกนรกแล้วยังรู้ปุพพกรรมของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอะไรจึงได้เป็นเช่นนั้นแล้วรู้ไปจนกระทั่งว่าทำไมสัตว์ต้องทำกรรมแตกต่างกันก็อวิชาความรู้ไม่จริงแต่ในขณะนั้นเจตของพระองค์จะรู้นิ่งอยู่เฉย เจตของคนเรานี่ไม่มีร่างกายตัวตนมีแต่จิตสว่างสบายจุสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่พูดไม่เป็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นรู้เห็นอะไรมีแต่เฉยลูกเดียวทําไมจึงไม่มีความคิดทําไมจึงจะไม่ไ ม, ไม่มีไม่มีคําพูดเพราะเจตของคนเราในเมื่อแยกจากกายไปอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งรู้ได้เห็นได้แต่พูดไม่เป็น ทำไมจึงพูดไม่เป็นเพราะไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่ทาให้จิตเกิดความคิดก็คือประสาททางสมองตอนนั้นไม่มีร่างกายแล้วประสาทสมองก็ไม่มีมีแต่จิ ต, ตรวงเดียวจึงคิดไม่เป็นแต่รู้เห็นได้แล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดจะได้เมื่อจิตคองพระองค์ถอนจากสมาธิขั้นนี้มา พอรู้สึกว่ามาสัมพันธ์กับร่างกายรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นหายไปยังเหลือแต่ความทรงจำพอแต่แล้วจิตของพระองค์จึงน้อมไปสู่การพิจารณาเรื่องปุ k เ e นิวาสานุ s a j y านคือการและลึกชาติผนหลังได้ตอนนี้คิดเป็นพูดเป็นภาษา เือพิจารณารู้เรื่องปุบเทนิวาสานุสติยานและเลึกชาติผลหลังได้เคยเลือลกว่าชาตก่อนเราเกิดเคยเกิ ด, เ, ก ด, เ, กดเป็นเวทสันดรชาติต่อไปเป็นอย่างนั้นถ้าติต่อไปเป็นอย่างนั้นแล้วนอกจากจะรู้ของพระองค์เองแล้วยังสามารถรู้ของสัตว์โลกทั้งปวงด้วยว่าใครเกิดตายกี่ภพกี่ชาติอันนี้เป็นเรื่องปุบเทนิวาสานุสติยานการกําหนดระลึกชาติผลหลังได้พระองค์พิจารณาจบลงใน ปัสมมยจามแล้วต่อไปเจตของพระองค์ก็น้อมไปสู่การพิจนารณาการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมภาสิทธิว่ากำมังสติบีพัชชติกบยอนําแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นในตั้งแต่สมัยนั้นเรื่องนี้พระองค์พิจนารณาจบลงในมัชชิมยามแล้วก็ เตของพระองค์ก็น้อมไปพิจารณาเรื่องอาสวะกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องท ำ, ทำกรรมคือพอิจชาความรู้ไม่จริงเมื่อรู้ไม่จริงก็ต้องทำกรรมไปตามที่ตนคิดว่าถูกต้องแต่แล้วมันก็มีทั้งผิดทั้งถูกทั้งบาปทั้งกรรมเมื่อทำแล้วก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จกจบจากสิ้น อันนี้พระองค์พิจารณาจบลงในปัจฉิมยามในจวนใกล้ลุ่งเมื่อพระองค์พิจารณาสามเรื่องตลอดสามยามจบลงแล้วตอนนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาแต่ตอนที่รู้เห็นเป็นโลกวิทูเป็นสมถกรรมฐานทีนี้เมื่อพิจารณาจบเิตจอมรับสภาพความจรงิง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นนี่เป็นจริงตามกฎของธรรมชาติแล้วอรหัตตมัคคยาระังเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นจึงตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปัจจิมยามจึงได้พระนามว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพระภูมีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตับเทิงกิเลสเทิงทุกข์สิ้นเทิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประกาศนิ นี่คือวิถีทางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถ้าท่านผู้ใดต้องการความพิศดารให้ไปอ่านในคมภีพระปฐมมสมโพธเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่มันเป็นการสร้างจิตของเราให้มีความมั่นคงคือสมาธิสร้างสติให้มีพลังเข้มแข็ง เพื่อประครับประคองจิตของเราให้มั่นคงต่อการทํางานในหน้าที่ของตนเองทั้งในเรื่องชีวิตประจําวันทั้งในเรื่องการปฏิบัติธรรมีนีการปฏิบัติธรรมคือการทําจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอะไรเป็นสิ่งรู้ของจิตในกายของคนเรานี่มีกายกับใจ เรามีตาโโห่จมูกเล่นกายและใจเล่นกายกับใจตาโห่จมูกเล่นกายและใจสถานการณ์ได้สิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องทีวิจประจำวันตลอดทั้งธุรกิจการงานหรือพิชาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดมีในจั ก, กรวาล น, นี้ทั้งนามธรรมาและโลกประธรรม สิ่งที่เป็นโลกประทรตั้งแต่อนุปรรมานูจกนกระทั่งมวลสารอันกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตหรือสิ่งที่มีแต่ชื่อเรียกแต่ไม่มีวัตถุที่จะรูปครรมจับต้องได้สิ่งนั้นเรียกว่านามธรรมทั้งหมดนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นเรื่องของโลกโลกทั้งโลกเป็นอารมณ์จิตของผู้ภาวนา พ่อภาวนาเพื่อที่จะให้เจตของตนเองบริสุทธิ์สะอาดเข้าถึงพระนิพพานได้ต้องศึกษาและเรียนโลกเรียนรู้โลกให้มีความเข้าใจถูกต้องและถ่องแท้ตามกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในจักรวาล น, นี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาสภาวะทั้งหลายที่เรียกว่าสภาวะธรรมนั้น มีเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวภาษาพระพุทธเจ้า ว, ว่าอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังทนยู่ไม่ได้ตลอดกาลอนัตตาไม่เป็นตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในกฎธรรมชาติอันนี้แม้แต่กายใจของเราจะได้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ แล้วทำมันเลิอกอะไรมันจึงจะต้องมากระทบมนุษย์จนกระทั่งทำให้เกิดทุกข์เดือดร้อนเขียมันต้องมากระทบมนุษย์ทำให้มนุษย์ษยต้องเดือดร้อนเนี่ยเพราะมนุษย์ไม่รู้ความจริงมนุษย์ทั้งหลายนี่ยังยึอดอัตตาตัวตนว่าสิ่งโน้่นก็ของเราสิ่งนี้ก็ของเราในว่าสิ่งที่เป็นของเราเราเนีวยกว่าเป็นของเรานั่นแหละสิ่งนั้นเขาเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ มีแล้วทรงอยู่หายไปมีแล้วตรงอยู่หายไปเราเอาจิตใจของเราไปสอดแทรกเข้าไปในตรงนั้นเราอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของเราแต่สิ่งนั้นหาเป็นไปตามความต้องการของเราไม่เมื่อมันขัดใจเราเราจึงเกิดโทมนัดน้อยใจแล้วก็เกิดทุกข์เดือดร้อน อันนจังทุกขังอนัตตาสัพเทสังขาราสังขารไม่เที่ยงสัพเทสังขาราทุกขาสังขารเป็นทุกสัพเทธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติแต่เราเรียนธรรมะเราไปเที่ยวกล่าวตูสิ่งโน้นกล่าวตูว่ามนุษย์สัตว์ต้นไม้โพเขารถเดือน เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นภูมิเป็นอนัตตาเราไปเที่ยวกล่าวตู่แต่จิตภายนอกเมื่อเราไปมองเห็นสิ่งภายนอกเป็นภุกขังอนิจจงอนัตตาแล้วก็เราก็ไม่มองเห็นตัวอนิจจ์ภูมิขังอนัตตาภายในจิตของเราแต่ถ้าที่จริงแล้วจิตของเราเองนั่นแหละตัวไม่เที่ยงถ้าตาเห็นโลกจิตของเราปกติมันก็เที่ยงแต่ยิ่งเขาด่ามาเราไม่โกรธจิตของเราก็เที่ยง แต่ถ้ามันวั่นไหวไปทางยินดียินได้แล้วมันก็ไม่เที่ยงอันนี้การทุกขังหน้ตาก็เกิดทันทีเพราะฉะนั้นการรักษาจิตของเราให้มีความมั่นคงคือสมาธิสร้างสาติของเราให้มีพลังเข้มแข็งเมื่อสติมีพลังเข้มแข็งแล้วมันจะเกิดปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายอันเป็นเรื่องของโลก เรามีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกฎธรรมชาติของโลกจิตของเราก็เสีบตัวอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงเราก็สำเร็จพระนิพพานวันนี้ได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาการบรรยายธรรมทั้งนี้ก็พูดไปตามอารมณ์เพื่อฟังกันง่ายๆ คล้ายก็ว่าไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักแต่ส่วนใหญ่ได้นําความจริงซึ่งมันเป็นประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเป็นส่วนใหญ่ถ้าไปมัวแต่จะไปพูดแต่ถึงเรื่องคําที่ยกโน่นยกนี่อาจจะมาเรียนจบมเรียนสีประโยคมาก็จําไม่ได้ขีมากน้อยเพอจ ะ, ะนั้นในฐานะน้นที่เป็นลูกจิตของนักปฏิบัติอันใดที่เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติ ก็เอามาถ่ายทอดให้ญาติโยมทั้งหลายฟังหลักของการปฏิบัติสมาธิมีข้อสังเกตอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นท่านภาวนาโพธิโธพธิโธโพธิโธเป็นจ้นหรืออย่างอื่นก็ได้ทีนี้พอภาวนาไปแล้วจิตของท่านสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปีติ PC มีความสุขรู้สึกว่ามีความสบาย แต่ว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตมันมีพลังแก่กล้าขึ้นพอพูดโทพูดโทสองสามคำจิตมันลูกลงไปนิดหนึ่งความเครียดมันพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาอย่างกระน้ำพุ่อย่างที่คุณโยมคนหนึ่งถามเมื่อก่อนหน้าที่จะเทศน์เนี่ยที่ว่าจิตมันมีแต่ความเครียดเครียดเคียเคดอยู่ไม่หยุดแต่ในลักษณะอย่างนี้ถ้ามันคิดไม่หยุดให้กําหนดสติตามูลเรื่อยไป อาศัยหลักสมาธิที่ว่าเดนเดินนั่ง น, นอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตตามไปจนกว่าจิตของเราจะมีพลังทางสติเข้มแข็งธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีแล้วในที่สุดเขาจะเกิดสติปัญญารู้อารมณ์จิตของเขาเองตามหลักแห่งความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตา ในท้ายที่สุเดด้วยบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์พระอริยสงฆ์ผู้สืบศาสนาบนบารมีอันใดที่จะ ม, มาภาพาดในความเป็นมาด้วยกายวาจาจิตขอเทศให้เป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งวิถีชีวิตของท่านทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวันณะสุขภาพละรปฏิภาณทั น, ทนสนสมบัติ แม้จะปราถนาลาบจดสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปราถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเทินขอจบเยชาวริกาาโปลาปาริโูเรนติสาขังเอวามีวาอิโตจินังเปตานังอุปกปติ เอติตังปะิตังตุมหั่งจิตประเมวะสมิทธะตุสัพ เ, เพภูเรตุชังคปาจันโทปนารโชยถาม่ได้โทปนารโชยถธาสัพพีติโยวิปัชชตุสาวาโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคาจุโกภวะอภิวาธานาสีริสนิจังวุทธาปจาริโนจัตตารุธรมมาวันติอายุวันโลจุขงังภะหลัง